ท่านก็ไปคิดเลยนะไปพิจารณาเลยนะโอ้โหถ้าแก่อย่างนี้มันทุกข์นะถ้าแก่เงี้ยมันทุกข์มันจะมีวิธีไหนไหมเนี่ยที่จะทําให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องทุกข์หรือถ้าต้องแก่เงี้ยแล้วแก่แล้วไม่ทุกข์อ่ะเพราะว่ามีเยอะแยะเลยนะคนที่แก่แล้วทุกข์อ่ะคนที่แก่แล้วทุกข์เลยมักจะกลัวแก่คนกลัวแก่ทํายังไงกันบ้าง รู้ไหมคนกลัวแก่ก็ไปทำยังไงกันไปทำหน้าเด้งใช่ไหมไปดึงหน้ า, าหรือไปผ่าตัดเลยนะไปทำศัลยกรรมหรือบางคนเนี่ยผมงอกใช่ไหมต้องไปย้อมต้องไปโกลบมังกรมะนมาวมะพร้าวโซอออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะมียาอะไรที่จะไปใช้กลัวแก่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมงอกเส้นหนึ่งก็รีบ ถอนหงอกเลยขนหงอกเสนหนึ่งบอกรีบรี บ, รบมามาใครมาเห็นรีบมาถอนหงอกให้หน่อยสิอืมเพราะกลัวแก่อืมอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวคนเห็นแก่อย่างงี้แล้วอะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าไม่สวยอืมเพราะนั้นก็เลยต้องไปแหมาสารพัดแล้วคราวนี้หาวิธีการต่างๆที่จะทําให้ ผมดําเป็นเงางามคราวนี้แชมพูอะไรมั่งนะ่ะหรือยาอะไรบ้างอนะ่ะที่จะมาใช้เพื่อที่จะให้แบบว่าไม่ได้เราต้องผมดกผมดํานะผมล่วงไปหน่อยหัวล้านไปนิดนึงก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมแล้วพ่อท่านบอกว่าแม้ถ้าอาตมาหัวล้านได้นี่ดีใจเลยนะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาปองผมเออคิดต่างกันเลยนะเออ ท่านแก่แล้วแต่ท่านไม่เห็นทุกเเนี่ยผมร่วงท่านก็ไม่เห็นทุกเลยท่านกับเออดีสิไม่ต้องเสียเวลามาสระไม่ต้องเสียเวลามาล้างไม่ต้องเสียเวล า, าอะไรอ่าเทวาทูตที่หนึ่งเห็นไหมพอมาเยือนมาเตือนมาบอกแต่ปรากฏว่าคนก็ไม่ค่อยจะรู้สึกไม่ค่อยมาพิจารณาเพื่อที่จะเออหัดทำใจยังไง ที่จะปรงจะวางไอ้ความรู้สึกพวกนี้ได้แล้วก็จะได้ไม่มนทุก ท, ทั้งที่ทุกอย่างนี้มันทุกธรรมชาติใช่ไหมคนก็ต้องแก่ทุกคนนะ่ะนี่ยังเป็นทุกแค่ธรรมชาตินะยังไม่ใช่ทุกเพราะกิเลสนะแต่ผมบอกเนี่ยคนเราต้องแก่แน่นอนนะอันนี้เป็นทุกแบบธรรมชาติแต่ทุกแบบธรรมชาติไอ้มาถ้าเราเข้าใจเราไม่ไปมีกิเลส ไม่ต้องไปห่วงว่าเออง้ผมงอกไปแม้มันจะไม่สวยมันจะไม่งามผมร่วงไปมันจะอะไรอะดูแล้วเดี๋ยวก็แหมเลิกใช้หวีไปก็เสียดายหวี <c oughs> นะเราไม่ห่วงอะไรพวกเนี้ยเราไม่ไปมีกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นทุกจากธรรมชาติพวกนี้เราก็เลยถึงมันจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปทุกข์อะไรด้วยเห็นไหมล่ะอ่าพอเทวมาทูตที่หนึ่งมาปั๊บเจ้าชายศรีสตาเห็นปั๊บ โอ้ท่านรู้สึกใไหท่านไม่ใช่คนอะไรอะ่ะไร้ความรู้สึกท่านเป็นคนมีความรู้สึกพราะท่านสัมผัสได้ท่านรู้ได้แล้วท่านก็เริ่มเลยคราวนี้เริ่มพิจารณาเลยเอา้าวเดี๋ยวพอไปไปเจออีกเทวทูต ท, ที่สองคืออะไรคือคนเจ็บพวกเราก็บางทีเห็นมาเยอะแล้วคนเจ็บใช่ไหมโดยเฉพาะเราเองก็เคยเจ็บ เคยป่วยกันมาเกือบทุกคนแหละส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นแต่พอเจ็บพอป่วยปั๊บเห็นเหมือนเจ้าชายศรสัชถาเห็นไหมพอท่านเห็นเสร็จฮะคนเราจะต้องเจ็บจะต้องป่วยอย่างนี้เหรอแสดงว่าเจ้าชายศรีสัชถาเนี่ยเป็นไงสุขภาพดีมากเลยใช่ไหมท่านในชีวิต ท, ท่านท่านแทบไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะแล้วตามเขาเรียกว่ามหาบุริลักษณะของของเจ้าชายศรีัชถาหรือของพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านก็แข็งแรงทั้งภายในนะทั้งอวัยวะทั้งร่างกายทั้งอะไรต่างเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นท่านก็แทบไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะเพราะน้ท่านก็เลยพูดง่ายว่าไม่เคยเจอทุกของการเจ็บป่วยแต่พอออกมาจากพระราชวังมาเจอคนเจ็บคนป่วยโอ้โหอะไรคนเจ็บทรมานอย่างงี้เหลือคนป่วยทรมานอย่างงี้เหลือน่าเห็นหน้าสีม่ง เห็นอะไรอ่ะตัวเป็นแผลผู้พองมั่งนะหรือว่าบางทีแขนขาขาดพิการอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหคนทุกข์ขึงขนาดนี้เลยนะยิ่งถ้าใครไปตอนนี้นะไปพบพวกที่เขาเกิดธรณีพิบัติภัยเนี่ยมากนะสมมติว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยถ้าคน พบศพเนี่ยจำนวนคนตายถ้าสมมติว่าคนตายสักห้าพันคนจริงๆไม่ใช่สมมตินะตอนนี้มันห้าพันแล้วที่พบศพคนบาดเจ็บเนี่ยจะเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นคนบาดเจ็บเนี่ยก็เป็นหมื่นๆเพรานันโอ้โหเราจะเห็นได้เยอะเลยคราวนี้เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันน่าอะไรอ่ะน่าสงสารน่าเห็นใจถูกไหมเออ น่าช่วยเหลือรันถ้าเราไม่ไล้ความรู้สึกเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้โหพอช่วยอะไรได้เราก็จะช่วยละ่ะนะแล้วก็น่าอนุโมทนามากเลยนะอาตมาบอกตรงๆว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ได้ยินข่าวขา ว, ขาวหรือว่าเนี่ยดูข่าวข่า ว, าวอะไรต่างๆมาภัยพิบัติครั้งเนี้ยนะอาตมารู้สึกว่าโอ้โหเหตุการณ์ของคนที่ไปช่วยเหลือ คนที่ได้รับภัยนี่น่าประทับใจมากๆเลยนะท่ามกลางความเศร้าสลดนะของศพที่เรียงลายก็ยังมีความงดงามของจิตใจของคนที่เสียสละของคนที่ช่วยเหลือบางคนช่วยเหลือทรัพย์สินนะข้าวของหรือว่าบางคนแรงกายไปช่วยนะทั้งผู้ใหญ่นะ ทั้งตั้งแต่กษัตริย์ในหลวงฝ่ายหญิงหรือว่าอะไรต่างๆลงมาจกนกระทั่งถึงนายกถึงข้าราชการถึงอาชีพต่างๆเกือบทุกอาชีพดารานักฟุตบอลอะไรนี่นอาชีพ่างๆานี่ยกเว้นอาชีพโจรเท่านั้นนะที่มันไม่ช่วยยกเว้นอาชีพเดียวไอ้พวกนี้ นนอก น, นออั้นอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพที่สุจริตในโลกนี้โอ้ช่วยเหลือกันดีมากอาจมาบางทีดูข่าวแล้วโอ้ประทับใจพูดตรงๆบางทีน้าตานี่จะไหลเลยด้วยซ้ำไปรู้สึกว่าโอ้เขาช่วยกันจริงใจแล้วก็ช่วยกันยังอะไรอะบริสุดใจและไม่ได้หวังอะไรตอบแทน น้่ยไม่ได้ไปคิดเอาหน้าไม่คิดเอาประโยชน์อะไรเลยยิ่งคนที่ไปลงพื้นที่เนี่ยสละแรงเนี่ยถือว่าสาคัญมากๆเลยถ้าเทียบเป็นบุญแล้วนี่นะสละทรัพย์สินเงินทองข้าของเนี่ยเราเรียกว่าวัตถุทานนียยังเป็นบุญแค่เบื้องต้นถือว่าก็เป็นบุญมหาศาลแล้วละ่ะเป็นบุญยิ่งใหญ่แล้วละ่ะที่เราเสียสละไปเนี่ย แต่บุญที่ใหญ่กว่านั้นเราเรียกว่าอภัยทานเป็นบุญที่เสียสละทางแรงกายแล้วหรือว่าทางแรงใจเนี่ยเป็นบุญที่เรียกว่าบางทีเราไม่มีเงินทองเลยด้ยซ้าไปแต่เราก็ไปช่วยเนี่ยก็มีข่าวมาว่าหลายคนนะเพราะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยมันหยุดยาวใช่ไมหลายวัน บางทีบางคนที่เขาทํางานบริษัทห้างร้านหรือข้าราชการก็ตามที่ที่เขามีใจเนี่ยเขาก็ลงใต้เลยแล้วเขาก็ไปช่วยเลยไปช่วยเก็บศพไปช่วยขนข้าวของนะเอาไปช่วยเหลือตามาจังหวัดหมู่บ้านตําบลนั้นต่างๆที่ได้รับภัยเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าอ้าวเดี๋ยวมันเขาเริ่มทํางานกันวันที่อะไรวันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่ใช่ไหม เพราะว่าพุ่งนี้วันที่สนี่เขาก็ยังหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันวันที่สี่จะเริ่มทำงานเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็อยู่ได้ถึงแค่แค่นี้เท่านั้นนะเพราะว่าวันที่สมันก็ต้องไปทำงานแล้วต้องกลับไปทำงานจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นบริษัททางร้านก็ตามเขาก็เลยบอกบอกกับหน่วยที่ไปช่วยเหลือเนี่ยรัฐมนตรีที่เขาดูแลทางนี้อยู่เขาก็เลย บอกผ่านมาทางโทรทัศน์เนี่ยทางสื่อมวลช น, นต่างๆเขาก็บอกว่าจริงๆก็ขอร้องเถอนะพวกที่เป็นตัวจัดสําคัญแล้วก็พวกที่ช่วยดูแลงานได้อย่างดีเนี่ยก็ขอความร่วมมือครับบอกว่าให้พวกนี้อยู่ช่วยต่อเถะนะนอกจากว่าดวยไหนที่เออมีกําลังคนมากพอแล้วอันนั้นก็กลับไปทํางานก็ไม่เป็นไร แต่คนสำคัญสำ ค, คัญที่เป็นตัวหลักอยู่เพราะว่าตอนนี้สิ่งสำคัญก็คืออย่างเช่นค้นหาศพใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันสร้างที่พักชั่วคราวต่างๆให้กับคนประสบภัยเนี่ยบอกไอ้นี่มันเร่งร้อนแล้วมันก็จำเป็นเน่เขาก็เลยฝากบอกไปตามบริษัทห้างร้างแล้วก็จุดข้าราชการต่างๆให้ทราบว่าจริงๆอันเนี้ยน่าจะอนุมัตินะน่าจะขอนะเหมือนกับอะไรอะ่ะ พวกที่เขาสมัครสอสอที่ปกติก็ห้ามไปแจกของเน่ยเพราะถือว่าเออผิดกฎหมายนะห้ามไปแจกของนะเดี๋ยวถือว่าไปให้หาคะแนนนะแต่ตอนที่เกิดภัยพวกนี้เขาก็บอกยกไว้ก่อนยกไว้ก่อนแล้วมันมีความจําเป็นเนี่ยจะมามัวคิดถึงกฎหมายกฎหมายอะไรคนจะตายคนเจ็บอะไรก็ต้องเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดอะไร นะอยากจะเอาเข้าของอะไรไปแจกไปให้กับผู้ประสบภัยเอาไปเลยนะเขาก็ยกเอาไว้เพราะเนี่ยคนเจ็บก็เยอะแยะมากมายนะถ้าสมมุติเรามองรู้แล้วเราเห็นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนะักก็จะรู้จักเนี่ยพบอย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วจริงมันเศร้าสลดมันเป็นเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของความเดือดร้อนแต่อย่าคิดว่า จะไม่เป็นเราบางทีเนี่ยเราคิดทีไรก็ก็คนอื่นคนอื่นก็บางทีเนี่ยไปตลาดนะบางคนไปซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อหมูซื้อเนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็ชอบคิดว่ามันไม่ใช่เราอ่ะก็นั่นมันหมูเป็ดไก่ไม่ใช่เราเรารู้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นคนทุกชาติหรือเปล่าอ่ะบางชาติบางทีเนี่ยไป ก่อเบญสร้างกรรมอะไรไว้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆนะขนาดผุติเจ้าเนี่ยผมหลายๆชาติท่านก็ไปเกิดเป็นสัตว์นะท่านก็เล่าให้ฟังอ่ะว่าชาติท่านชาตินี้ท่านก็ไปเป็นสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้เอา้าแล้วไอเราเนี่ยจะมีบุญวาสนาบารมีอะไรขนาดไหนและโอกาสเกิดเป็นคนนี่ก็ยากด้วยพุทธเจ้าท่านตัดเลยว่าคนที่จะมาได้มาเกิดเป็นคนเนี่ยนะจํานวนน้อยนิด น้อยนิดมากๆเลยโอกาสที่ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นเนี่ยจำนวนมหาศาลเพราะนั้นเนี่ยเราไปเห็นบางทีไปอะไรอะเห็นเข้าค่าสัตว์น่าไปตลาดอย่างเงี้ยหรือบางทีไปซื้อมากินโดยซ้ำไปเนี่ยให้รู้เลยว่านั่นน่ะนั่นน่ะให้นึกถึงอกเขาอกเราบางเถอะถ้ารู้อย่างเงี้ยมันสะสมบุญบา ร, รมีไว้ าชาติหน้าฉั้นใดจะได้เกิดเป็นคนนะเพราะมีแต่เป็นคนเท่านั้นน่ะที่มีโอกาสที่จะอะไรอ่ะทำบุญทำทานโอกาสที่จะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่เนี่ยถึงจะมีได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือพวกเนี่ยนะโดยเฉพาะลงแรงหรือที่เราเรียกว่าอภัยทานเนี่ยนะเป็นบุญระดับที่สองที่สูงกว่าวัตถุทานเนี่ยบุญระดับนี้เนี่ย ในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะมีเขียนบอกไปเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าอภัยทานเนี่ยเป็นทานที่มีมามานานแล้วไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งขึ้นแต่มีมาก่อนพระุทธเจ้าด้วยซ้ําไปอภัยทานอภัยทานที่ดีที่สุดก็คือการมีศีล น, นั่นเองคือการอภัยทานไม่ใช่แค่ว่าใครมาทําให้เราโกรธเกลียดแล้วเราก็ให้อภัยเขาไป อั น, นั้นมันแค่เรื่องเดียวว่าแล้วนะแค่ศีลข้อที่หนึ่งนั้นนี่ยอันนั้นนะนะแค่ศีลข้อเดียวอย่างเช่นไม่ไปโกรธใครเขาไม่ไปเกลียดชังใครเขาอันนั้นนะได้แค่ศีลข้อที่หนึ่งข้อเดียวแต่อภัยทานในที่นี้ น, นี่ผู้เจ้าทัณฑ์นี่ห้าข้อใครทำห้าข้อนี้ได้บริบูรณ์ถือว่าได้ทําอภัยทานอันยิ่งใหญ่อันมามหาศาล ท่านใช้คําว่ามหาทานเลยจะซ้ําไปอันเนี้เป็นทานนั้นยิ่งใหญ่วันอภัยทานเนี่ยส่วนใหญ่จะไปนึกตื้นตื้นง่ายๆอะ่ะเพราะว่าเราไปเข้าใจแค่นั้นเองว่าอภัยทานก็บางทีมาในวัดอย่างเงี้ยนะเออตรงนี้เป็นเขตอภัยทานปักป้ายาไว้นะก็เข้าใจว่าอย่างไงเข้าใจว่าไงเอออย่าไปตกปลา อย่าไปยิงนกอย่าไปอะไรอย่าอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะนะแเรวก็เข้าใจแค่แค่นี้นิดหน่อยแค่นั้นไม่ใช่หรอกอันนั้นแค่เป็นส่วนหนึ่งในห้าเท่านั้นเองแม้แต่ความโกรธเนี่ยเอออย่าไปโกรธใครเขานะให้อภัยเขาเถอะอันเนี้ยก็อยู่ในศี่ข้อหนึ่งเท่านั้นเองคืออย่าไปโกรธอย่าไปรุนแรงนะอย่าอย่าไปชังใครเขาเนี่ยเป็นเรื่องของศีลข้อที่หนึ่งความรุนแรงความโหดร้ายพวกนี้แต่อีกสข้อล่ะ ยอย่าไปลักขโมยใช่ไหมคาว่าอย่าไปลักขโมยสิ่งค่อยสองเนี่ยหมายถึงว่าอย่าไปขี้โลกเนี่ยอย่าไปเอาลัตตะเปรียบอย่าไปอยากได้ของใครเขาเนีย่ยไปขี้โกงเข้ามาเงี้ยเอ้าอ่เนี่ ย, ยประทับใจนะหลายๆประเทศเนี่ยช่วงปีใหม่มาเนี่ยเขาก็งดและเองเงินที่เขาจะเสียไปกับไอาการใช้ไปฉลองไปแะไรต่างเขาก็เอามา ให้กับผู้ประสบภัยนะยังหลายๆประเทศเนี่ยที่เขาจะต้องจ่ายเงินไปยกเว้นบางประเทศเขาบอกว่าเขาจ่ายไปแล้วอย่างออสเตรเลียยเงี้ยเขาบอกเขาจ่ายไปแล้วเขาลงทุนไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะก่อนเกิดภัยนี่ไงไอ้ที่เขาจะจุดพูจุดอะไรอย่างเงี้ยฉลองปีใหม่ <im> mm> เขาบอกก็มันเสียไปแล้วอะ่ะเงินมันจ่ายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าขอจุด เขาก็เลยขอจุดแต่จุดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าใครจะมาเที่ยวชมแล้วก็ค่าบัตรหรือว่าค่าแรงต่างเขาจะเก็บจากอันนี้รนะายได้ทั้งหมดที่ได้เท่าไหร่ก็จะเอามาช่วยผู้ประสบภัยเขาก็เลย ต, ต้องแปลสภาพไปเป็นอย่างนั้นซึ่งเนี่ยเป็นความน่าประทับใจมากนะเนี่ยเสียสละ ลดละความโลภความเห็นแก่ตัวความอยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยจริงจรเนี่ยแค่สี่ข้อที่สองนั่นเองใช่ไหมเอาข้อสามอีกะนะเรื่องของกามเรื่องของสามีภรรยาเรื่องของอะไรพวกนี้อ่เพราะอันเนี้ยก็งดก็เว้นนะพยายามเป็นโสดให้ได้ถ้าทําได้ยกเว้นถ้าทําไม่ได้กับผัวเดียวหรือเมียเดียวพอ อย่าไปมากผัวมากเมียเนี่ยทำให้ได้นี่นี่อยู่ในอภัยทานทั้งสิ้นยิ่งข้อสี่นี่เอาอย่าไปโกหกอย่าไปตอแหลเนอย่าไปกี้หกอะไรที่ไหนเข้านะสิ่ข้อที่สี่เพราะฉะนั้นสิลข้อที่สี่เนี่ยบอกว่าอย่าไปโกหกต้องหมายความว่าอะไรต้องซื่อสัตย์ต้องพูดความจริงแต่พูดความจริงก็ต้องรู้จักฉลาดพูดนะ อาตมายังนึกอยู่ีนใจเลยว่าเนี่ยที่เขาทําบุญอุทิศศพอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายเต็มชายหาดเลยนะแล้วเขาก็ไปทําอบสายบาดพระยังนึกอยู่ว่าเอถ้าสมณะเราไปนี่จะไปพูดกับเขายัางไงดีเนาะเืินซื่อๆดุยๆนะไปพูดตรงๆทําบุญอุทิศไปให้ผู้ตายนะไม่ได้หรอกไปพูดตรงๆเลยนะตามพระพุทธเจ้าสอนเลยนะว่าไม่ถึงหรอกอย่างเงี้ย เสร็จแน่อาจจะไม่พ้นหาดนะอาจจะได้นอนอยู่ที่หาดนะนะ่ะนอนยาวเลยกคเนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนั้นก็ต้องรู้จักพูดเหมือนกันนะว่าอ่านะทำบุญนะ่ะผู้จ่าธนก็ตราสว่าทําแล้วก็ผู้ที่ทำเนี่ยก็ได้นะผู้ที่ทำเนี่ ก, ก็เอาก็เนี่ยทําให้เคือญาติใช่ไหมถ้าตัวเองได้ไปเนี่ยรับรองว่าเครือญาติก็เห็นผู้ที่อยู่เนี่ยเออก็อยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมมีบุญมีทาน ได้ทําได้ดีได้เจริญในกุศลผลบรญภทั้งหลายเออผู้ตายก็ก็มีความสุขเองอะอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะ อ, อถ้าเราพูดเป็นหน่อยมันก็คงจะคว่ำอ ย, อย่างชั่วนะเอแล้วเราก็ไม่ต้องไปโกหกด้วยอันนียก็ต้องฉลาดเพราะเนี่ยเนี่ยจะต้องไปอภัยทานให้ได้นะส่วนข้อที่ห้าเราก็รู้แล้วก็อย่าไปหลงติดอใยมุกอะไรต่างตนะงอย่าเอาอใบมุกมาเป็น อะไรอ่ะเป็นการกุศลเดี๋ยวนี้เยอะเลยนะไม่น้อยเลยนะเอาใบบุกมาเป็นการกุศลอ่ามีอะไรสลากกินแบ่งการกุศลมีอะไรกะมีซื้ออะไรตัวว่าซื้อบัตรซื้ออะไรน ะ, ะแข่งมา้าการกุศลโอ้มันอย่างนี้อยา่าพยายามเยอยา่านะมันมันไม่ดีหรอก เพราะมันเริ่มต้นมาจากไม่กุศลแล้วอะ่ะมันเริ่มจากอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยบุญทานที่จะได้สุจริตแม้แต่วัตถุทานเนี่ยวัตถุทานเนี่ยพระเจ้าท่านหมายถึงวัตถุทานที่สุจริตนะไม่ใช่วัตถุทานที่ทุจริตนะอย่างเช่นไปขโมยเข้ามาเนี่ยไปโกงของเข้ามาเสร็จแล้วก็เอาเอ า, เอาเงินนั้นอะ่ะเอาไปโกงเงินเข้ามาเลยแล้วเอาเงินมาทําบุญ บุญนี่เป็นของใครวัตถุทานนี่ของใครของคนที่ไปโกงมานะคนที่โดนโกงนะใช่ไหมเพราะของนี่ของเขากุณไปโกงเข้ามาไม่ใช่ของคุณเลยวันวัตถุทานเนี่ยคนที่ทำนั้นไม่ได้เลยนะไม่เพียงแต่ไม่ได้บุญจากวัตถุนั้นแล้วนะคนนั้นนะ่ะได้บาปที่ไปโกงเข้ามาอีกด้วยแต่คนนี้บรรเทาบาปตัวเองลงเท่านั้นเองเพราะแทนที่เอาเงินมาแล้วเนี่ย โกงเข้ามาแล้วนะบอกแล้วนะทำไปแล้วนี่เงินนั้นนะคนนั้นไม่ได้บุญแล้วนะคนนั้นได้บาปอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ดีตรงว่าไม่เอาเงินนั้นมาใช้เองใช่ั้มเอาเงินนั้นมาเสียสละให้คนอื่นก็ใช้ให้คนอื่นเขาได้ใช้เพราะนั้นเลยบรรเทาบาปของตัวเองลงไปได้บ้างนี่คือสัจจะนี่คือความจริง มันเยอะแยะไปเลยนะที่บางทีเนี่ยบางคนเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแต่ไปโกงไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเข้ามาแล้วทำไปเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะทําของคนอื่นเขาทั้งนั้นเนี่ยส่วนของตัวเองอาจจะมีอยู่นิดเดียวอ่ะเพราะที่เป็นค่าแรงของตัวเองจริงๆได้เท่าเท่าที่ค่าแรงของตัวเองแต่อส่วนที่ไปเอาเปียบของคนอื่นมันก็เป็นของคนอื่นเขาสิเพราะวัตถุที่ทําไปก็เป็น บุญวัตถุทานของคนอื่นเขาอืมยิ่งคราวนี้พอมาถึงอภัยทานอย่างที่บอกอภัยทานเนี่ยเป็นบุญที่ไอ้แม่นเนี่ยถ้าเราถือศีลได้น่าเราปฏิบัติทำได้น่เรามีจิตใจเรามีสํำนึกเลามียำใจเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะแยะเลยซึ่งการมีจิตใจอย่างนี้แหละทําให้เราอัภัยด้วยคือเราได้พ้นภยัย ภัยที่จะเกิดจากอะไระเนี่ยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์โลกอื่นๆชนิดอื่นๆเนีย่ยเออน้อยลงแล้วเรามีโอกาสด้เกิดเป็นคนได้มากขึ้นภัยจากการที่เราจะไปโลภโอ้เป็นคนขี้โลภไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยพวกไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยเนี่ยคือพวกขี้โลภออหรือว่าพวกไปเกิดเป็นที่เขาบอกไปเกิดเป็นอะไรนะนกปากเหลก็ก <Buff ak> ไปเกิดเป็นอะไร ไปปีนต้นงิ้วเนี่ยปิดศีนก็สามอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราทำบุญทำทานเรามีสีนปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราก็จะพ้นจากบาปภัยพวกนี้นะเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาวันเนี่ยวันนี้คืออภัยทานเป็นมหาทานถ้าใครทำได้ถึงขั้นอภัยทานแล้วตัวเองมีบุญมีกุศล มีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิได้แล้วคราวนี้แหละบุญสูงสุดที่เป็นทานที่เหนือกว่าทานทั้งปวงสัพพทานังธรรมานังชินาติไมไม่รู้จำถูกก็บป่านะ อ, อ, อาจจะผิดไปบ้างนะบาลีเพราะไม่ค่อยได้ท่องไม่ค่อยได้จำสักท่าแหล่ แต่จำได้แต่ภาษาไทยเราคนไทยก็เลยจำภาษาไทยสักมากก็คือธรรมทานเนี่ยชนะทานอื่นทั้งปวงธรรมทานนี่หมายถึงทานที่เราเนี่ยวัตถุทานเราก็ทําแล้ววัตถุทานที่สําคัญที่สุดคือตัวตนร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุทานที่มีค่าที่สุดเราเลิกบาปแล้วเราไม่ไปทําบาปเวนอะไรเนี่ย วัตถุแท่นก้อนนี้แหละเนี่ยเป็นวัตถุทานที่สําคัญที่สุดละหน้าร่างกายตัวตนเนี่ยเสร็จแล้วอภัยทานคือนี่ยิ่งเรียวแรงยิ่งจิตใจเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาทำดีให้ได้ปีใหม่แล้วเราจะเปลี่ยนไปนะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้เป็นอภัยทานละ เสร็จแล้วพอเราทำดีขึ้นมาได้เรารู้อะไรดีๆเราก็เอาสิ่งดีที่เราทำได้เนี่ ย, เ, ยเอาไปให้กับผู้อื่นไปบอกให้ผู้อื่นรู้ความดีนั้นเอาบางคนเลิกเนื้อสัตว์มาได้มากินมังสวิรัตได้แล้วนะหรือจะได้บางวันก็แล้วแต่แหละแต่เราก็เอาสิ่งดีๆเนี่ยไปแนะไปบอกคนอื่นเขานี้เราเรียกว่าทำรรมาทานซึ่งเป็นทานที่สูงที่สุด ทำไมถึงสูงที่สุดเพราะบางทีเนี่ยเป็นคนดีมาได้แล้วถือศีลก็ได้แล้วแต่ยังขี้งกเ อ, อเขาเรียกว่าตถนิธรรมนเนี่ยภาษาธรรมะพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยตถนิธรรมคือไม่ยอมที่จะให้คนอื่นเขาได้ดีให้คนอื่นเขารู้ดีๆอะไรบ้างเลยเลยก็เราได้ดีมาแล้วอะ่ะบางทีพอจะแนะได้พอจะบอกได้ก็บอกก็สิ แตเวลาบอกก็ดูหน้าเขาหน่อยนะถ้าหน้าเขาเนี่ยโอ้โหหน้าดํามาเลยอะหรือหน้าแดงมาเลยตาก็เขียวคุณซีซัวไปบอกแล้วก็คุณอาจจะเจ็บตัวได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีด้วยต้องรู้จักประมาณเนี่ยแต่พอเราได้ดีอย่างนี้แล้วเราก็บอกไปอตอนนี้บางทีภาษาพระเรียกเอามาบอกบุญนะ้โยมเขาต้องมีการเสียสละมีการทําดีอย่างนั้นอะย่างนี้นะตอนนี้เขาเกิดภัยนะ โอ้เขาไปช่วยกันนะไปทาอะไรอะ่ะไปร่วมกันเสียสละแรงกายไปช่วยกันเสียสละวัตถุไนดะ้อะไรเงี้ยเนี่ยเราทําได้ด้วยแล้วเราไปบอกด้วยเนี่ยอันนี้จึงจะเรียกว่าธรรมทานธรรมทานไม่ใช่แค่อะไรอะ่ะแค่รู้อะไรดีๆแล้วเรายังทำไม่ได้นะแต่ก็ดีแล้วนะ้วเราไปช่วยบอกเฉยๆอันนั้นอันนั้นยังไม่เป็นธรรมทานจริง อย่างเช่นยกตัวอย่างาาท่านผู้เจ้าท่าหรือว่าพ่อท่านหรือว่าพระที่ท่านดีๆเนี่ยหรือว่าพระไตรปิฎกเราถือว่าเป็นหนังสือที่ดีเงี้ยนะเป็นหนังสือธรรมะแหมเราก็โหธรรมะที่ดีใช่ไหมเอาไปพิมพ์ไปพิมพ์เราออกเงินไปพิมพ์เสร็จแล้วก็ไปแจกหรือจะทําเป็นเทปหรือเป็นวิดีโอหรือดีนี่เป็นซีดีแล้วเอา ใช่ไหมเราก็ทำทำท ำ, ทำเสร็จแล้วก็ไปแจกนะโอ้โหธรรมะนี่ดีมากเลยอันนี้เป็นวัตถุทานที่เป็นธรรมทานแต่ตัวคนทําจริงๆบางที่ยังดีไม่ได้อย่างที่ที่เอาไปแจกหรอกบางคนเนี่ยสอนเขาใหญ่เลยนะโอ้โหนี่อยากินเหล้ายาสูบหรีดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนครูสอนนักเรียนน่ย แต่พอพักเนะี่ยครูก็ไปปุ๊ยปุ๊ยปุ้ยางทีใช่ไหมบวิทีครูสูบซะเองครูเมาซะเองแต่เวลาสอนนักเรียนนะสอนซะดีเชียว อ, อย่างเงี้ยมันเป็นธรรมทานแค่วาจาเท่านั้นเองไม่ใช่ธรรมทานจริงเพราะตัวคนที่เอาไปแน่ไปบอกไปสอนนั่นนะยังทำไม่ได้เลยรวนันนี้ไม่ใช่ธรรมทานแท้นะวันธรรมทานแท้นี่ตัวผู้บอกผู้นั้นต้องทาได้ด้วย ถึงจะเป็นธรรมทานของแท้ของจริงๆของบริสุทธิ์ของที่สมบูรณ์นะถึงจะเลิศยอดที่สุดที่เหนือกว่าทานอื่นๆเพราะถ้าธรรมทานไม่แท้อย่างเงี้ยพิมพ์หนังสือธรรมะแล้วไปแจกเขาได้อย่างเงี้ยสู้อภัยทานได้หรือเปล่าสู้อภัยทานก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะคนที่ทรอภัยทานนี่ลงทุนลงแรงแล้ว ถือศีลปฏิบัติทมแล้วตัวเขาดีขึ้นมาได้แล้ว อ, ะอ่ะยังดีกว่าคนที่ไปทำแค่วัตถุทานที่เป็นที่เป็นธรรมทานเลยเห็นั้ยล่ะเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าใครรู้เรื่องทานทั้งสามอย่างนี้ชัดเจนนะโอ้แล้วจริงๆอันอระมาบอกเถอะว่าอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเป็นศาสนาพุทธของที่ปฏิบัติมาถูกต้องแล้วจะไม่เป็นแบบดูสีหรอก ปฏิบัติทำทําดีอะไรขึ้นมาได้แล้วไม่มีอะว่าจะมาตนหนีทำแล้วจะมาอะไรนะของดีต้องนิ่งเงียบออะไรนะต้องอยู่เฉยอะนะของดีต้องอยู่เฉยอะไรเงี้ยไม่ฮะไม่จริงอะ่ะถ้าเป็นสายพุทธแล้วพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้เนี่ยคือรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงรู้ทุกอริยสัจรู้อะไรต่างอืมเป็นผู้ตื่นนี่ ตื่นออกมาจากวิเลสนะเบิกบานเบิกบานในธรรมสามารถที่จะแจ้งธรรมสามารถที่จะประกาศธรรมบอกทําให้กับคนอื่นได้ก็ผู้เจ้าเนี่ยพอเป็นผู้เจ้าแล้วใช่ไหมท่านก็ยังจะอะไรตอนแรกยังจะอะไรยังจะไม่คิดสอนคนน่ใช่ไหมท่านก็ยังโอไม่ได้อย่างนี้โลกคิบหายแน่พระพมก็มาอาราธนาก็หมายถึงจิตที่เมตตานั่นเองพราศาสนาพุทธเนี่ย จะต้องมีจิตเมตตานี่อยู่จิตเมตตานี่แหละที่ทำให้อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เพราะในที่สุดพุทธเจ้าบอกต้องสอนคนทั้งๆ ท, ที่ท่านรู้ว่ายากแล้วก็เหนื่อยมากเลยสอนแมวสอนหมาสอนลิงสอนอะไรบางทีละครสัตว์นะนะที่เขาสอนให้มันเล่นให้มันหัดเอาช้างมาเตะบอลเอาเอาอะไรนะเอาหมามากระโดดลอดบวงไฟางทีงสอนง่ายกว่าสอนคนเลยบางที ว่าบางคนโอ้ดื้อดือสอนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนี่ปีใหม่แล้วบางทียังไม่รู้จะเปลี่ยนได้หรือเปล่าบางคนยังเ็เหมือนปีที่แล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ล ว, ลวมานี่ยแหละยังไม่ยอมเปลี่ยนอยีกเลยมันเปลี่ยนแปลงให้ได้หน้าปีใหม่ทั้งทีแหละอ้าพูดไปพูดมายิ่งพูดมันก็มีเรื่องให้พูดนะนี่ยังพูดแค่เทวาทูตที่ทลายอย่างเทวาทูตที่สองเองอ้ามัน ขอขอสรุปให้สั้นๆแล้วนะเทวทูตที่สาก็คือเลยคนตายอัจะรายศิษฎาเนี่ยก็ไม่เห็นคนตายาเห็นท่านก็โอโ้โหเราก็ต้องตายเหรออ่าเพราะฉนั้นท่านก็สานึกละท่านก็รู้ตัวแล้วเอาละเสร็จมาพบอะไรอีกสุดท้ายเทวทูตที่สพบนักบวชหรือว่าสมณะสมัยก่อนมีแต่สมณะสมัยก่อนยังไม่มีภิกษุ มีแต่สมณะอย่างพู้เจ้าเนี่ยพอมาบวชมาบวชเนี่ยเจ้าชายศรีสถานเนี่ยพอมาบวชปับ๊บใช่ไหมโกนหัวหัวโลนเงี้ยเขาก็เรียกสมณะโลนเขา <c oughs> เรียกสมณะโลนนะสมณะการมาพบเทวทูตที่สี่เนี่ยดูนะพบคนแก่พบคนเจ็บพบคนตายแล้วมาพบสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบ สงบไปเลนอนหลับคลอกสงบปะเปล่านอนหลับคลอกก็สงบเหมือนกันใช่ไหมนิ่งเลยใช่ไหมแล้วคนตายนี่สงบปะเปล่าสงบนะเพราะอย่าไปแปลแค่ผู้สงบเฉยเฉยนะแม้สมณะเป็นผู้สงบเดี๋ยวก็ไม่รู้ตายหรือว่าหรือหลับต้องแปลให้ครบๆสมณะคือผู้สงบอะไรสงบระงับจากกิเลสแปลให้ให้ให้ครบกระบวนความ สมณะแปลว่าผู้สงบระงับจากกิเลสแลละหรือถ้ายัางบวชใหม่ใช่ไก็ผู้ที่แสวงหาหรือผู้ที่กาลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้สงบระงับจากกิเลสเพราะท่านรู้ว่ากิเลสนี่แหละเป็นตัวทำให้ทุกข์บอกแล้วแกทุกข์ไหมแกก็ทุกข์กกกนะถ้าโดยธรรมชาติเจ็บทุกข์ไหมทุกข์เนี่ยตายเนี่ยเศร้าโศกเ อ, อไม่ใช่เศร้าโศกตายเนี่ย พัดภาคจากการทุกข์ไหมทุกข์อันนี้เป็นธรรมชาติแต่ที่ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยนะคุณพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพวกนี้ได้เนี่ยนะโดยที่คุณลดกิเลสคุณได้คุณไม่กลัวแก่คุณไม่กลัวเจ็บคุณไม่กลัวตายได้คือคุณทําจิตทําใจที่วางพวกนี้ได้ ไม่ไปรักไม่ไปโลภไม่ไปหลงไม่ไปหอบหวงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เอาไว้ได้โดยการลดกิเลส ข, ของเราลงได้นี่แหละเนี่ยคุณเป็นสมณะเนี่ยคุณสบงบและงับจากกิเลสความโลภหอบผวงพวกนี้พวกนี้ได้คุณก็พ้นทุกจากเกิดแก่เจ็บตายพวกนี้ได้ราะที่บอกว่าพ้นจากการแก่เจ็บตายพวกนี้ได้คือไม่ใช่ว่าพ้นได้จาก อย่างอื่นนะแต่พ้นได้จากการที่เราหมดกิเลสจากสิ่งที่ไปยึดไปหอบหวงพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เรามาเจอคนตายเจอภัยพิบัติเจออะไรต่างๆเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติใช่ไหมแล้วเราเนี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ม่มีกิเลสเพระโหอยากที่จะให้อะไรอะ่ะต้องมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะเราไปติดพวกนี้แหละ แล้วเราก็ไปตั้งความหวังว่าชีวิตเราเนี่ยเราอยากมีบ้านเราอยากมีครอบครัวเราอยากมีรถเราอยากมีอาหารกินดีๆอาหาร อ, ร, อร่อยเพราะความอยากต่างๆเหล่านี้ที่เราเนี่ยไปหลงแล้วก็ไปติดไปยึดอยู่กับมันมันเลยทําให้เกิดกิเลสเมื่อพอเราจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ที่เราหวังหรือว่าเราอยากได้พวกนี้เราถึงได้ทุกข์ ทั้งๆ ท, ที่ความเป็นจริงเนี่ยใครบ้างในโลกนี้หรือในชีวิตนี้จะไม่มีการพัดพลาดจากวัตถุเข้าของก็ตามจากคนก็ตามมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมความเป็นจริงของชีวิตมันต้องพัดพลาดอยู่แล้วอะ่ะแต่ที่ทุกข์ที่เท่าโศกเสียใจอยู่เพราะไปโลภไปหอบหวงไปหลงไปติดยึดหรือไปเกียรติชังอย่างนั้นอย่างนี้ต่างหากแล้วเพราะถ้าใครเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ได้ แม้คราวนี้กูจะเจออุบัติภัยหรือเกิดภัยอะไรเกิดขึ้นกับเราก็แล้วต่ะนะจะในครอบครัวหรือว่าจะในหมู่บ้านในประเทศหรือในโลกนี้มันเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาเราเตรียมตัวเตรียมใจเราถือศีลปฏิบัติพรมแล้วเราลดกิเลสของเราไปทุกวันทุกวันลดความว่าต้องเป็นอย่างนี้นี่ก็ของกู อ่าอะไรอะนี่ก็บ้านของกูนี่ก็ครอบครัวของกูแลนี่ก็อะไรประเทศของกูนี่ก็โลกของกูอะไรต่างๆท่านพุทธทาสท่านก็ใช้ตัวกูของกูเนี่ยนะอืมเพราะถ้าเราลดละไอ้สิ่งเหล่านี้ลงไปได้นะลดความโลภหอบพวงสิ่งเหล่านี้ไปด้วยการถือศีลด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเนี่ยศีลห้าบอกแล้ว ดีกว่านั้นก็ขึ้นไปศีลแปดขึ้นไปศีลสิบขึ้นไปเรื่อยๆรื่อจนกระทั่งจิตใจเราเนี่ยก็พ้นจากความไปติดไปยึดไปหอบผงพวกนี้แม้คราวนี้เราจะเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาก็ตามเราก็ไม่ทุกข์เหมือนเก่าก่อนแล้วคุณก็จะไม่เกิด after shock ขึ้นมาแล้วก็คนที่พึ่งตัวเองได้แล้วนี่แหละคือคนที่พึ่งตัวเองได้ก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่น จะเป็นสารณะน่าจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้เพราะคนที่ทุกข์อยู่เดือดร้อนอยู่เนี่ยเพราะายังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังต้องมาเศร้าโศกต้องมาร้องหม่มร้องไห้เสียอกเสียใจบางคนไม่มีเรี่ยวแรงจะทํางานอะไรหดหู่หอเหีย้ยนอนซมอยู่เนี่ยเพราะเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่ใช่พ่ อ, อะไรเพราะจิตใจจิตใจที่ต้องสูญเสียจิตใจที่ต้องพลัดพรากก็ยังทําใจไม่ได้ เันคนที่ทาใจได้ฟังดูดีๆนะคนที่ทำใจได้นะจะเป็นที่พึ่งของคนที่ทำใจยังไม่ได้ราะันใครยังทำใจไม่ได้ระวังนะอย่าไปช่วยคนที่ทำใจไม่ได้ด้วยกันเพราะจะกอดคอกันตายคือเคยได้เห็นไหมจะไปปลอบใจเขา่า เขาก็ร้องหม่มร้องไห้เขาก็เล่าเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องเสียใจเรื่องแรงต่างๆให้ฟังเล่าไปเล่ามาคนฟังร้องไห้ตามไปด้วยไม่รู้ใครจะปลอบใจใครกันแน่ในที่สุดก็เลยร้องหม่มร้องไห้กันขล่มไปหมดเลยไอ้อย่างนี้ช่วยกันไม่ได้ละเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยคนอื่นได้เนี่ยก็ต้องหัดทําใจตัวเองให้ได้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นที่พึ่งให้กับโลกให้กับสังคมได้อะวันนี้ก็คงแสดงธรรมให้พวกเราฟัง น้อนรับปีใหม่แต่เพียงเท่านี้